ผู้พระอาการมหาบัวแสดงธรรมท่านกลางสงวนวัวเสร็ที่สังเกตประนาคนทังแผ่ทาินห้าท่ักตาด้านปากเห่งอดืธรรมจ้างองค์คเดชพกะภูมีห้าเจ้าท่านนั่งพสังฆนก็ดี บรรดาสายทั้งหลายนำเพื่อปัจจาณาเพื่อนำไปเพื่อทำเพินมทุกโดยดีนำไปเพื่อทำตื่นจากสิ่งทางเวรเพื่อนเราจะเห็นหน้านี่บรรดาสายทั้หลายที่ดูเดือดในของความเพ่อนทางเวร แม่จะอาจากประคุณหลๆก็วากันไม่เคยมีความากัดกี่ยแห่งเงินในประทุนทั้งตนในเลือดตัดสมบัตโดยว่าความมั่งความมีที่ผิดนะั้นที่จะเกี่ยวข้อง ก, กับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในขังคาาึ้นสองา้า เมื่อเลยออกจะตุ้งานเตนมเติมใส่ของกระจุใ้ใจแล้วมีความมุ่งต่การเพื่อแความท้าความเพียรเลยไม่คำนึงถึงอาหารไม่คำนึงถึงสถานที่อยู่ว่าจะเป็นความสลวกหรือไม่แค่แต่ความ ให้ตนใจเพื่อความตพื่หลือในการเพื่อขอความภาคความเพียร เ, เท่านั้นแต่ละ้าหลายเปนที่พอใจจิตการงานในทั้ ง, งนั้นรู้สึกว่ามีเระาะจิตการงานที่จะเนไจเพือ่อความเครื่อเพื่อนเพื่อื่อนทางบนภายในใจิตใจเดยถ่ายเดีอ่ะไม่ใครจะมีจิต ที่แสงเข้ามาให้เป็นการทังลมเหมือนอย่างสมัยทุกวันสมัยทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนๆจุดที่แฝงแต่ทั้งๆครูที่แฝงสอบกรดีเรูที่ทำหนอาที่สอบทางานในที่นั่งๆก็ดี แค่ตอกว่าถือเป็นจุดสำคัญ ย, ยินความจิดไทยในการํำนะสถามที่หลวงพธะวะพาผู้ได้เลิศประกอบจิตการงานไทยนะั้มีการก่อร่างสร้างรับสร้างวาสร้างสิ่งมีฐานเพื่อารัยทำจิตใจ การ ง, งานกับกกกประชาสังคมหรือกระตุวปัจจัได้มามกอะไรหรือว่าเป็นเกียรตหรือว่าเป็นความดีคาวามชอบหรือว่าเป็นประยชนของกับศานาที่เป็นจะทําได้และถือว่าเป็นมงคนของกับศาสนาที่ด้วยกันเมื่อเป็นก็นี้ จุดทีจำนเป็นจุดที่เนจ้า่องนุ่งไสคดีที่สารรับหลายข่านในดันนาดเนินมาพาดนเนินมาคดีรวจนเหืให้ได้รวงในทางภายในคือหลักศีลสมาธิอันใหญ่รวมแม่เปนไปแค่ความเนผู้มีศีลเลยจิตมายนไปแค่ความเป็นผู้มีสมาธิ um <ivat masterpiece> <ngày> มีความเึงนคอยดูดันหนักจแม่เป็นไปด้ความเจือเยอะสะอาดในคิดปัญญาที่จะถอดถองตนทั้งตนเพื่ทุ่มตาจิตให้เสิมกระว่าตนไมเบือดมาในเพื่อตัดเจาะตนจิตทั้งเรขาทุกขก้าวซึ่งพระองค์ได้ทรงดำเนินมาอย่างนี้เมื่อกิดการหรือหน้าที่ ทั้ ง, ง, งที่เป็นนักเหลือด้วยกันมีความแตกต่างกันอย่างฝางกันอย่างนี้แล้วผลที่จะเึงได้รับก็ต้งต่างกันเริ่องจะกลายเป็นเรื่องของรูปปัจนณาสองเรื่องแบบทำว่าทั้งถาทุระกับรูปัจจันาที่ลนั้นในทั้งเจริญแจเปิ ก็ตดีนี่แค่ใจว่าคงไม่เปนคธนั ต, ตถิระเตมเตินดอกเกิดของความคลั่งหวนเตินดอกเกิดของความกระตุ้นตะเคียนของบรรดาตถาทถาชนทั้งหลายผ้ให้จตุจัจจขึนน้นถนัดขนเพื่อธนัตถิระนั้นคงเติในไปพาประมอนแพ้ยูพาเติมพาไป ใไ่ไมนอกถึงกับว่าเป็นเรื่องให้กระทบกระเทือนเตนมไปท้องสิงบางลายในจมณะของหลังนี้เองวเกิดว่าเป็นคาวามจะกระทกระเทือ น, นเติมเถิดความจนทั้งจนให้หักตีในัังแต่ต้องถึงกับต้องได้รับความเคยะหาริงคาจากประชาชนว่าใครที่ไหน เกลียอะไรแผลกะตุกระใจมาเรื่อยๆ เ, เป็นกายเป็นอาชีนหรือเป็นนิสัยของท่านที่นั่นการเกลียริศได้มาจาจักรยานเกินทั้งหลายนั้นเพื่อรกาะได้มาเพื่อาก า, ารเกออข้างจริงจนตระโยชนสาแพงนะแต่ท่านมันนานมา แต่กะาะไยแปว่าได้มาเพื่อตัวฟังเสีงขึน้นเลยแอดอ้างการแต่ข้าจนเลอ บ, บางหน้าก็เหอนนั่นคื่นี้คื่แทนที่จะทำกาะัทกรานาให้เจนยี่เยี่ยมุงกายเป็นคู่เหยียบย่ำกระับกนาในขนาดใหญ่ มีการดำเนินอของกระศาสนาตั้งแต่สั้างองค์สมเด็จพระสีเมตพระธาต่าและสาโลกทั้งหลายท่านยังดีน่จะมี ท, ทันตพิระเป็นคู่เลียงกันมาตัดวิพัฒนาพิระโทวีคูแ้แสดงหน้าบัดนี้เข้าใจว่าคงไม่ถึงจัดเป็นการกระทบกระเทือนและเป็นจิตจำเป็นจนเหลือประมนขึ้นยางคู่วัน ก็หมายทุกวันนี้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของกษัิศาสนาเจเลยเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของกษัตรศาสนาก็แสดงว่าถือด้านวัดที่เป็นของสาคัญเต็มเรื่องระดับหรือเป็นความจริงของกษัศาสนาเป็นขวงอัศจรรของกษิศาสนาเต็มั้ง่าราศีของกษศาสนาโดยสิ้นใจเจเลหลักความจริงทื่พระพุทธเจ้า เรื่อสแสดงว่าเร่องจริงที่จะยังจะชาคนหรือพุทธบริษัททั้งหลายให้เรื่อนจางจินจังนั้นได้จะเอาเรือแต่ จ, จะทำทั้งสิ่คือทุกตําน่ไทยนี้รนนะลืนมาเลเข้าเส่อนศูนย์นด้วยอัดเท้าไทยโดยไม่รู้สึกโวด มีดั่งาดทั้งหลายเซื่งเป็นนักปฏิบัติเพื่แล้วควรจะได้หมักเรื่องนี้ให้เแื่แนแฟ้นในจิตใจทั้งตึอย่าเป็นผู้ลืมตนในปิปทาที่จะเป็นไปถูกสร้างกันในทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์พาดำเนินมาหรือไม่ าร ง, งานเมื่อเราเลอกทำลงในทันใดันก็ต้องจากฏเป็นเครื่ อ, องอบแทนขึ้นมาอย่างไราร ง, งานทางด้านภายในคือสีนสมาธิปัญญาถ้าเราถือเป็นข้อหนักแน่นถือเป็นจิตสำคัญเช่นเอิมสำเด็จกรตือมีพระธาตุเจ้าธาตุเมินมาแล้ว สื่อจะไม่เป็นไปเพื่อความบริจิตในเพื่ออะไรทั้งหลายอย่างไรนละ้จนจะมาพิกก็ต้องเป็นไปเพื่อความสงบสัญญาต้องเป็นไปเพื่อความเฉยฉลาถ้าหลักหลวกขาปัตทธรรมที่เตืองกล้าสงสารได้แล่วนั้นไม่มีเต้นไม่มีปลายเต้นตมัดทมาปฏิปทาดิแทรกสีล า, าเมื่อเชื่อ เ่อนศูนย์อินาทารีย์พลังหรือเลือแหลมไปที่ไหนแม่จ ะ, จะเรือเหลม อ, อยู่กับผู้ที่ไม่สนใจใคอยที่จะปฏิบัติเพื่อศีละมาธิธรรมยาให้เกิดขึ้นภายในตนพลังหลักสำคัญมีอยู่ที่นี่เพราะเหตดนั้นการปฏิบัติก็สำคัญหรื ความเคลื่อนไหวทั้งกายวาตาใจพวกเราทั้งหลาจะเคลื่อนไปอย่างใดก็ตามขอได้คำานึงถึงเรื่องพระเอกราช ย, ยาด้ดีธรรมาพระพุธได้าึ้นเป็นคูอสอเลิกนั้นเป็นครู อ, อยู่ตลอดอายุทั้งสี่หน้าจันนั้นความเคลื่อนไหวทังกายวาตา ของเกงย่อมเป็นบาปบาดาของสัตว์หนทนเมื่อดันดาจาบข้างหลามีความสนใจคกล้ต่อการศึกษาจับเองก็แล้วผูที่ได้ ม, มาเห็นมาไล้ยิจจยนจับเกงเจงกคือแสดงอาการเคลื่อนไหวทุกๆอ า, า, า, ากานะจะเป็นพัติเคลื่อ น, น, นใจของดันดาท่านสู้ของทั้งหลายเพื่อระดับะโยชโดยเคลื่อนมากกว่ และมากนา้อยขึ้นดูจักความสนใจใช่ททต่อการาศึกษาจากพระองค์ข้าและขึ้นดูจากปัญนาที่ต้นคือจะนำความเคื่นไหวนั่นออกจากความเป็นศาสตราของพระองค์ขา้ามาเป็นคีดแขนกันคําว่าศาสนาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเชื่อประกาศกาศศ า, าสนาแนะนําขั้นสอนพระคาถนเท่านั้น ยังเป็นศาสตรานาทุกทุกอาการที่เคลื่อนไหวแ้อค์เจ้าไม่เจอเคลื่อนไหวในอาการใดๆให้ผุดจากความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเคลื่อนไหวในทางจินยามายาทุกทุกอาการรวมแล้วตั้งแต่เป็นประโยชน์สำหรับบรรดาต่างๆและเป็นเครื่อนกระตากเตือนเจ้าว่าอาการทั้งหมดนี้เิ่มอาการออกจากศาสตร์มา ก็คืออาการแห่งสาสนาน่าจะที่ของโลกนั่นเองขอ้บรรดาเราทั้งหลายได้ทำหนึ่งถึงสามเชื่อมไหลทั้งเราทั้งหมู่ใครตอนอื่นของอะไรทั้งหลายเป็นแว่าเราอยู่ เปนหมู่เป็นกลุ่มหรือเกี่ยวกับสองคงมนุษย์เนื้อเป็นมนุษย์ที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเกี่ยวกับสังคนเสมอเราต้องคิดถึงตัวเสมอจนเป็นุกคืกเถิดยอมมีการเท่าตัวเสมอไปแต่สาหรับธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเท่ากับหลักเหตุผลเมื่อเราเป็นสุดข้อาศึกได้ ต้องเป็นผู้หนักในเหตุผลคือเป็นผู้สนใจแค่แต่หลักเหตุผลถูกต้องหรือไม่ถูกคนทำลงไปพูดลนใจคิดลงใจถือกับหลักเหตุผลคือธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่าเอาเต็มทั้งเต็มใจเต็มทุ่อย่างแน่เหนือเหงุผลนองจะตปนความผิดเนจะเป็นเหตุให แต่ข้เสียแต่สองนคือหนุ่มเชื่อนด้วยกันุดต้องยอมรับว่าถูกคุต้องยอมําหนดว่าูกและยอมที่จะต้องปฏิบัติารนี่หลักของคู่ปฏิบัติเพื่อจะเตินไปให้ถึงความเจริญรุ่งเรือง แม้เป็นของตนและแม้เป็นประแต่ประชานทีส่วนน้เอาองเป็นผู้มีศาสนาประจําความเชื่อไหนของ็นทุกหลักศาสนาคือหลักหน่ผลนันถ้าเราเอาไรเข้าไปสวมเนในจ well. ิตใจการไหนงทราบว่าจิตใจนั้นนั้น จะไม่สำเร็จเกลียดร้อ ย, ยไปไดความมีเหตุผลเราจะเป็นใครเจ่าความสะเทืนอนเพราะเหตุขอสการเข้าตัวเสนอใจในนิสัยของหยุดเป็นเป็นที่นี้เราเป็นนักปฏิมัติต้องเป็นนักมีเหตุมลหรือากาจนาประจําอียด คืต้องใช้เกลนแนวจิตการงานของเราที่ท um ําที่ถ like ูกที่ผิดที่ไปมาให้คือต้องตาหลักของศาสนาที่สอนไว้เราจะเป็นผู้มีความเริ่มเย็นภายในใจทั้งหราด้วยและเตินไปเพราะความเริ่มเย็นสำหลักมีเพื่อนที่อยู่ด้วยทันด้วยจะทำประสาทศาสนาให้เกิด ตนของเราเกี hour, ่กันมือเสื่อนเหมือนกันสมาธิปัญญาก็เกี่ยวกับมือเสืนเหมือนกันเราดูกับมือเสื่อนตรงูนพุทธไม่ถูกทางแค่ติดขีนข้งหราพทเกี่ยวข้องกับมือเสื่อนเม่ถูกทางแค่ตัวเหนื่อยไม่เกิดความแงบดทาลายสมาธิของเราให้มีความแงบดได้ เห็นหมู่เพื่อนทาผิดหรือผูกตามความรู้สึกของติดหรือตามความเข้าใจของติด้าปัญญาไม่รอดข อ, ดอบในการเห็นในการนะวินอ า, ก า, านการของการจะทําหรือการพูดของตนเองแล้วแทนที่เขาจะเป็นคนผิดเราก็กลายเป็นคนผิดเชื้ออื่นเพรานั้นเรื่องสิงจะดีจะมาที่สีปัญญาก็ดีที่เกี่ยวกับสังคมหรือหมู่เพื่อน อันเปนเหที่จะทําตทั้งเราให้เสียมีทางมีได้อย่างนี้ของเราทงหลายได้นำหลักเหตุผลไปตัง้งไว้ที่หัวใจของเราขับไล่ทาที่ว่าเราอเสียจากที่นนให้เลีงเหลือตั้งแต่หลักธรรมคือเหตุผลไว้ที่ใจ ภูน้องชายที่ไหนมาที่ใดอยู่ที่ใดจะตามจะเป็นที่เริ่มเยนของ เ, งงงเองสเินเอิงแม่หมูเสื่อนเสมอรำนาวที่เกิดความทะเลาะเบาะแว้งเมื่ อ, นนอจัดเอาเราเข้าไปตั้งไว้บนหัวใจหรือเอาเราเข้าไปตั้งไว้บนหลักหนุนถึ ง, งสุดทํามะของพระพทธเจาเมื่อเอาเราซึ่งเป็นเปเลิกเรื่อเลื่อนเข้าไปตั้งไว้บนหลักหนุนถึงอันเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว หลักสติคือทํานั้นก็ไม่มีอํานาจแต่ก็กระจายไปกับหัวใจของเรามีตั้งแต่คําว่าเราซึ่งเป็นแสลดนึงเดือนขังดยูกับจิตใจของบุคคลคนน้นเมือ่มอระบาออกจากความว่าเรานั่นแล้วหรือเพราะเราเป็นเหตุเป็นผู้มีอํานาจนั้น ได้ละมออกมาทางกินยาเมรย่าคำพูดคำจาตนจนเหตุให้ติดให้แต่เพื่อตะเกียวนื่อเกิดความทะเละแบแล้งบางลายถึงฆ่ากันตีกันคิดหายเริ่มงจนิงเติื้อตายลายเห็นดูแต่หน้าต่ตาแม่ยิงอยู่บนหงส์ทั้งหลายทุกทุกแห่งแ่ว่าแอกรักไม่รักแท้จริง ความถึงแก่ตัวที่เราเป็นขอ ง, ง, งทั้งทั้อผู้วัดในพศาสนาจึงต้องเป็นผู้ถือหลักเหนือถึงเป็นสำคัญและถือยิ่งกว่าหัวใจถือยึ่งกว่าชีวิตจิตใจของเราเอีกแม้ชีวิตจะจิตหายาตายไปก็ตามของกลางวัตุ้ซึ่งทำคือหลักเหนือถึงของพระพุทธเจ้าอย่างสมบู ผูอนั้นแลเป็นผู้ที่จะยังกระตับระนาให้เจริญดีเดียเมื่อตายไปแล้วร่างกายแตกกระจายจิตวิสัชกิติสุนก็เรื่องฟูให้ความประยู่ทุกแห่งทุ่แห่งเม่อเ้เสื่องถืนอันประทานแต่ความเชิงละทายล่วงไาเพื่อนบางองค์สมเด็จพระฟูมีพระภาคเจ้าและสาวกตลอดทึ้งฟูด่อาการทุกกาสดีดีงามย้อนแวดทั้งแต่ท่านเป็นผุนหนักใั้เหตุผลหรือหลักธรรมะเป็นเจ้า กองหันไจมาได้วผอ้เราเป็นก้ตวกองหัวใจซึ่งเป็นซึ่งราวาสเวทบูชาของเทวดาลมึกทั้งหลายอย่างเนบแน่นมากยางเส้นเกิดเต็มจันพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แต่ตั้งหน้าดำเน้นตามเนือทางสาเวทขององค์เสานเด็ดแค่กลิ่นแค่ภาพเท่านั้นถึงสำเน็ตเตมเสมอ และทุนทำจิใตใจทั้งเจนให้มีาากาตาาคือคูกความดีสำหรับเทวะส่ ว, วนอยากเป็นทราบว่าเป็นหน้าที่อของใค่เราเป็นที่จาเป็นผู้จะตอะอ้องเปิดเทื่ยงสิงมัวหมองคือจุดทาระวะทั้งส่วนอยากายาส่วนแลงงส่วนละเอียดออกกกายวาตาใจทั้งหมด อะไรเล่าเป็นเครืงที่จะทำหน้าอย่งหนึ่งก็คือศีลสมาธิขันยานเมื่อเป็นเช่นนั้นทำทั้งสามประเภทศีล ส, ม, ส ม, มาธิขันยานเราจาึงควรถือว่าเป็นของจำเป็นนี่เป็นธรรมที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องพยายามเสริมวกสาให้ตังสมให้เกิดขึ้นในกายมาตาใจของเรา ศีลจะมีความบริสุทธิาเนื่องจากเป็นื่อมีสันทะคืออธิบาททั้งสี่ยลสันทะแค่ตนเอมผู้พอใจในการรักษาสีทั้งต่อในอกหน้าละอาใจในการรักษาสีจจะเป็นศย์ข้อใดก็ตามชื่พระองค์เจ้าสมมอบไว้ ให้เป็นสมบัติของเอาแลยเราน้ำรับได้ความเป็นอกเป็นใจกล้ต่อตาการจะประชดปฏิบัติั ก, กาศีทของเราให้เป็นไปเพความบริสุทธิท์ุกทข้อมีเรื่องแทันทะพะคว า, ามพอรู้วิยเือใรักษาอยู่เสมอทั้งที่แกงที่ละตลดอดยาเแ็ดทั้งส ไม่ม so ีความลดละในทางความเพียรที่จะต้องพยายามรักษาตีให้เต็มใปเสื่อทำโดยติสเบบ่ยงดิสุตตะแทนผูมีความฝักใายกับหมออย่าทำจิตของตนให้ห่างไกลจากศืนแล้วมัดระวังรักษาศีลเพ้นอเยียวาตนเองในระลังบาดแหลที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมด ไม่สินในมาเกิดทศหรือแรกใรักษาสิ่งที่มีถึงค่าในบ้านของหงเราแม้ความเจ้าเมง่อเกลียดผันแม้ชีวิตก็ยอมเสียได้เพื่อสมบัติเพื่อนั้นหรือมังษาต้องเป็นเพื่อนความแคบเลือย ง, ง, งคือเรื่องของสัญญา อุทิบาททั้งสี่นี้เป็นหลักทำคือจะทำบุคคลที่มีความค่ต่ออิบาทนี้ให้ได้ลเข้าสู่ความต่เลยตั้งแต่ขั้นต่เป็นถึงขั้นสูงสุดคือมุตตมีจะวนจากอุิบาททั้งสี่นี้ไปในบ้นเท่นั้นจึงจะจริญได้หรือไ อิทธิบาททั้งสี่นี้เป็นมาคเอยของพระกรย์พนามเดือเป็นนาคเงยของโลกที่แม่น้ำมันคงลุกเริงลื่นเรือเลือโลกจะเจริญลื่นเรืองแต่หน้าพระอิทธิบาททั้งสี่เป็นนาานทั้งของทจะเจริญดื่นเรือนได้ทั่วทั้งกายเลกต่งและทั่วทั้งดวงจิตดวงใจของเรากายวิชาของเราต้องอาศัยอิทธิบาทเป็นของกำัง สมาธิแค่ดีเราเป็นราบมาจะเกิดขึ้นมาโ ด, ดยอิทธิบาทนี้ปัญญาพารมีอิทธบาททั้งสี่นี้แล้วก็จะเป็นปัญญาที่เฉลี่ยเท่าจนสามารถอบถอนตนทั้งตนให้พ้นจากทุกข์ไปไม่ได้อีกเส้นเดียกวยกวันเพราะเห็บนั้น ทำมว่าปัญญาก็สมกเกณอยู่แล้วเพื่อได้จึงต้องอาศัยอิอธิบาตทั้งสี่ใครุี่บาตทั้งสี่นี้ ม, มีทำหลายข้อเรีอนกัน่ห้จึงเป็นธรรมที่มีมกำหังท่าใจมีการเค้ื่อนการขึ้นขึ้นแรงานพยายามทีม่จะต้องพิแต น, นาต่อสองดูเหินผลเท่าไหน เอาใปักใส่ใครต่อความคิดในเมื่อสิ่งใดที่มาสัมผัสหรือโดแต่ะทดเหตุการ์ต่างๆไม่ละวางในทางความขาคความเพียนหรือความปักใส่ที่จะต้องคิดเจริญงานาในสิ่งที่มาสัมผัสหรือเหตุการณ์นั้นๆให้เห็นลจ่นแจ้งด้วยปัญญาก็รวมนังนในปัญญาที่จะเจินไปก็ ควาลถนัดในภาพเป็นกำลังใจเร า, า ม, มาบวชในเทศศักดิ์ปัาึงคำหนึงถึงแนวทางของเองสมเด็จพระภูมิเจ้าค่ะแล้วสาวะคือ ท, ท่านได้ดเนินไปแล้วคดีได้ฟงสอนพวราทั้งหลายแล้วแล้วดีให้มากกวาเรื่องใดๆทั้งนั้น เราอยากเห็นเรื่องของรเราว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าเรื่องธรรมะคือแนวทางของพุทธเจ้าถ้าเราเห็นว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่โตกว่าเรื่อ ง, งธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องลืมมันก็สําคัญเรื่องฝากมันก็สําคัญเรื่องค้องมันก็สําคัญ เรื่องการหลับการนอนการขี้เกียจขี้แพ้มันก็สําคัญเรื่องการเห็นแต่ตัวมันก็สําคัญทุกทุกสิ่งที่เป็นใจแคบที่มีปัญหาจะครอบคลุหัวใจของเรามันเป็นเรื่องของเราและจะกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นตามตามคนทนั้นเมื่อเราไม่เห็นธรรมพุทธตเจ้าเป็นของสำคัญแล้วจะให้เรื่องของเราสำคัญขึ้นกว่ากธรรมพุทธติเจ้าแล้วผู้ น, นั้นจะเอาเปลืออดไปใน่ได จ่เป็นผู้เล่มเต็มแม้ยังไมา่ตายก็เต็มเป็มหมดค่าหมดละคาไม่มีคุณค่าในตัวทั้งส่วแม่แต่แมาแค่าทนั้นเราเป็นลูกศิษย์พรุทธศาสน์แสดงเห็นว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นสมัมมาตาสังสอนไว้ทุกทุกข้อ ว่าเป็นสมบัติเพื่อเราจะผู้จะเป็นผู้รับม่เพื่อศึนผู้อื่นอ่ะและเพื่อจะเกิดสมบัติอื่นเพือเพื่อพ่อแบบดัๆๆงความเข้าเส้นนี้ผู้นั้นเองจะเป็นผู้เจริญในพระศาสนาจะเป็นผู้สามารถยืดื้อพรศาสนาให้เริมรุ่งเรืองภายในจิตใจของตนได้ แต่ เ, เริ่มวินงเรืองแจแต่พาเป็นทั้งหลายให้เขาได้นับกี่อยุดจากเติด้วือดู่้รเป็นพู้ทำหน้าที่แทนแท่สําเนตจ้าถุนเจ้าภาคเจ้าแล้วสาวกท้งาย ห, หน้าอย่างเต็มที่ขอให้พากันีิเารนาคำว่า น, นักบวดนี้นั้น เต็มที่เต็มทุนแล้วในหน้าที่ทำ ง, งานที่เกี่ยวกับการจัดเทิดทูนเทิดสร า, าและจะลุื้นตทงงน็ทั้งตเพ่เพิจากเริลึกยอแดึงที่ดีขนงงาเพราว่าทำใหเขาววบปัญญาเธอตัว้องขึ้นมาสู่ความเจริญขนขึ้นมาเต็ ก็มีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามเราจะเป็นไปก็ความรุ่งตามที่ิบาทเลยว่าฝืนประดีก็สมาธิแต่ขอดีปัญญาก็ดีเราจะเป็นว่าอำ น, นาจที่ของใคร นาจาร่าจะเป็นหน้าที่ของลาันเดียน์ซึ่งเป็นผู้มุ่งจะทำเครนทุกในมติคงสานและ้องอาศัยสื่อสมาธิปัญญาจนทำเคลื่อนแปรเสมอไปพาคาจะทำทั้งสามเจเพื่อนี้แหละจะเต็นไปเพื่ความสมหลังไม่น่เมื่อเป็นเช่นนั้นสื่อสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุท้อ จะต้องพยยามบำรึงให้สมบูรณ์ขึ้นภายในสายวาระไทยัองลัาถึงท่านทั้งหลายได้ทราบลว่ารักษาอย่างไรเป็นสิงเราก็เคยรักษาตั้งแต่วันเดียวกันสมาธิที่ทั้งหมุดหงิดเราทั้งหลายแต่ต่าง เมื่อพยายามจะทำใจ ต, ต้องใจสงบแล้วธรว่ออกไไาก็มาที่มีหลายท่านรู้ใจได้หลายในใจวลาความมั่นคงก็ได้รู้ใจว่าความมุ่งมั่นก็ได้ ความแต่กท่านของจิตที่เติมเตในทางสมาธิอิธอการที่จะทำใจให้ติมตในทางสมาธินิทาอติมาไม่หลายหม่การบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธธรมโสมกหรือจำเนตรลมหายใจถ้าออกเติมอารมณ์ของใจมอสติเป็นเครื่องกำกับวิส ไ ม, ดดม่ตั้งเคยจากบททำนั้นั้นให้จิตเด้อาศัยบททำนั้นนั้นตงเชื่องบริกรรมอยู่ก็และ้วเวลาจิตเมื่อไม่มีหน้าที่อื่นทำมีเฉพาะการบริกรรมบททำตึงเชื่องจังหัดอยู่แล้วจะเติมเตาเพื่อความแข็งแกร่งวากความพึงตาวนลายขึ้นเคยเป็นมา เมื่อมีความสงบแล้วแต่มีความสุขแค่ความสุขเป็นผลเกิดขึ้นจากความสงบความสงบเป็นผลเกิดขึ้นจากการเกิดทำคือทำการบริสันนี้เป็นเหตุเป็นผลแต่ข้าต่อันมาเป็นลำดับลำดับหนี้งผูายเป็นผู้มีความมุ่งเป็นผู้มีความใข่ต่อการทําสมาธิพอความสงบแล้ เึ่งคือจุดคือการภาวนาน h ้เป็นของสำคัญนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามในอุยญาตบททั้งสี่แม้ที่สุดใจบดินถ้าหมาไม่ยอมแปรรางจิตใจให้ตรงไปตามอารมณ์ต่างๆมือทวามมุ่งมั่มมนอยู่กับทำบราาิกรรมภาวนาหรือที่จะนานในสภาวะทำความขั้นของจิตนั้นเต็ม ท, ท, ที่ดาเนินอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมลดนะและไม่ยอมให้ท้องเผอนับตั้งแต่ตาออกจากตลาดอาถึงหมู่บ้านแล้วข้ากลับมาถึงตลาดมีทําเผอกี่ครั้งผู้ที่มีความสนใจถลงขนาดนี้ต้องรู้ทีเดียวว่าจดทัองเราได้เผอไปกี่ครั้งมี่คุณเองเป็นผู้ที่จะสามารถทำสมาธิ เพื่อความต้งบใจให้เกิดขึ้นได้แล้วเป็นผู้ที่จะสามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ในลําดับต่อไปได้อีกเพิ่มเดียวกันแค่การเพื่อ ท, ทําศีลให้เป็นไปตอดีสมาธิให้เป็นไปตอดีปัญญาให้เป็นไปตอดี คุณทราบว่าอวตากหลักแางอิทธิบาทซึ่งได no ้อธิบายมาแล้วทั้งสิ้นถ้าทาอิทธิบาททั้งสีนีแล้วทมอันใดก็ตามไม่เป็นทิ้งเป็นอนแม้จะสำเร็ดก็ไม่สมบูรณ์หลักของสีต้งเติมไปด้วยอิทธิบาทหลักของสมาธิต้องเติมไปด้วยอิทธิบาทหลักของกัญญาต้แท้ต้องต้องอาศัยอิทธิบาทเพื่อเติมทำ หลาข้อรวมกัน แ, แล้วเป็นเหตุที่จะทำปัญญาให้มีกำลังก้าขึ้นพอที่มีความพยายามทำจิตทั้งจนให้เปนแต่สมาธิโดยทางอีกที่หมาแล้วจะเป็นผู้สามารถทำปัญญาให้เกินแจ้งขึง้นในอันดับต่อไปได้เช่นเดียวกันกับทางสมาธิ สมาธิคือความตงมใจ่าใจมันตั้งมื่อได้เต็มตั้งมัไขอเส้นขาดูหนะักฐานที่มันไม่ตงมหรือเหื่อที่มันไม่ตั้งม่เต็มก็เหยื่อ เ, เ, เ, เด้หให้มันชัดทัศน์เป็นของสาคัญธราคอกอตก่องดูเหการ คือจิตเติมไปเัืความพุ่งพันนั้นเติมไปได้อย่างไรเติมไปคเหตุน้มีอะไรเป็นตัวเหตุให้ใจพุ่งพันหรือวะต้องค้นดูไปอย่างนี้นักปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องท้าทุระในหน้าที่อยู่ทั้งเตมผจิดใจมอบไใ้กับพงาบพงโยมพกดกขึ้นในต่จจัยทงสี่คือดนข้าบะเตยนานันะ ที่ลานาเภสัชเพื่ยาเสพติดทีวอร์เครื่งงองนึ่งมาอบ่ห้กับชาวบ้านเท่งนั้นแต่เรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องกัญญาก็ดีซึ่งเป็นทางหลุดเพิ่มจากที่หลุดทางเพระให้ถือว่าเป็นกิตของตนเองตลอดอินเดียด้วและตลอดลันนายด้วยอย่าท้อถอย อย่างไราจะเป็นไปเพื่อความงสงบจิตจะเหนืออำนาจของสติปัญญาหรือของเราใจไม่ได้องสําเร็จพระภูมิพระภาคเจ้ากรดีสามก็ดีเมื่อปรากฏว่าเป็นที่เบื้องตที่เธอต้องการจะ อ, องค์พระอุบัตกเกิดขึ้นมาในโลกคร<ช>อบออกมาจากข้องแม่เป็นคนมีชื่อปัญหาขึ้นเบี้กับเราทั้งนั้นมาชุดเต้นที่นํามาทําเต้นเสาทำบ้านทาเดือนทำซาราขึ้นในนั่งอยู่ในบัดนี้ แราสำเร็จรูกมาทีเดียวจากตาสำเร็จขึ้นมาจากการกระทาทของในท่องปัดโค่นล้มลงแล้วปัดิ่มตัดกลายควมขาก็ถ่าเพื่อลือ้อเพื่อมื้อวงมส้กดลดเตี่ยมก็ต้องทำความลงน้ำรักก็ต้งองเลยควรจะทำเป็นเต้นเป็นเสาเป็นคือเป็น แฝดิบเป็นกระนานดาฟ้าและแต่ในท้องจะามเอตามความต้องการและความคลาดของตนไม้ก็ต้องแฝดรูปไปตามเรื่องของในท้องก็เหนือในท้องไปไม่หนักผลที่ตึกเพื่าสำเร็จเป็นบ้านเป็นเอนเป็นสึกเป็นท้ท า, าเต็มเวลาลงคำอย่างเรานั่งอยู่ น, นั่นแบบนี้เพงทราบว่าไม่สาเร็จมาได้วยไม้ทั้งเส้น ทั้งสี่ก้านขาขาทั้งลากแกวักแหลกกำหนกขึ้นจากนวั้งขึ้นความแลาดสามากแลลูกม้ทั้งหลายนั้นให้มาเป็นขาขึ้นมาข้อนี้ก็ขึ้าานแทกฐานน้นเหมือนกันพอพุทธเจ้าตี่แรกท่านก็เป็นไม้ต้นหนึ่งาาถาเวก็เทียบกับม้ต้นหนึ่งเหมือนกัน แต่พระองค์ก็เป well, well ็นในท้องสาวกก็เป็นในท้องขามากที่จะเรอในพระองค์เจ้าถ้าเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีกัญญาขึ้นมาจ้นกายขึ้นเป็นศาสตราอิสนเสริมและสอโลกข้างหลังขึ่งเราทั้งหลายโดยกราบไหว่ารืมาบอกนี้สาวนี้ก็เป็นขช้นเดียวกันนั้นเราจึงนึกเอาพระพุทธเจ้าและสาวกเข้ามาเป็นแบบพะบับ หรือเป็นพลังขัดขันของพวกเราคำที่รับพุทธังทำมังตั้งทางเ็นพลังกัดขมี้ไม่น้อยถึงาการพูดด้วยคำพูจกจับว่าสำเร็จสำเร็จแล้วไม่สำเร็จประ์ เ, เพียเท่านท้การถึงระดันี้ยังมีหลายชั้นความจุกรามเหล่านี้เป็นชั้นหนึ่งชั้นของพวกเราเป็นชั้นหนึ่งแต่ด้วยความสนิก ติดใจด้วยด้วยความชื้นเอ็กซ์พิทิเจ้าจะทำประสงมาเป็นแบบฉบับองคู่ชีวิตหรือเหนือชีวิตแลองชีวิตของเราด้วยได้แต่อแบบพวกองค้ามา ด, ามาดมาําเนินตามเราในแบบนี้ก็เป็นไม้ทั้งต้นเหมือนกันได้อาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจ้ามาจีนหนา มาเป็นเลือมาเป็นผิวเป็นขรานเป็นน่เป็นฟ้าอำนาจฟาบกันรู้อเรยไหมสเรในตัวของหนกให้ปรากรแตกออกมาเป็นสีที่บริสุทธิ์จะออกมาเต็มสมาธิด้วยความสงบเต็มทนั้นของสมาธิจะออกมาเต็มกัญญาเต็มท้นทั้นของกัญญา ่อต่นนั้นก็จะสำเร็จเระโยอย่างเต็มที่ขึ้นอย่างเป็มหน้าเต็นเรือนเพี่ยงตับธรรมนี้จะสำเร็จประสขึ้นมาตามแนวทางของธรรแล้วพระองค์เจ้าทรงตรัสได้ว่าสำเร็จเป็นพระเสดาจดาสำเร็จเป็นพระกสิทธาธาสำเร็จเป็นพระอนาธาสำเร็จเป็นพระหันมิเทื่องกันกับ ข้างร้านหรือศ า, าลาโรงทัางที่ไดเรียนพัฒนธรละแล้วาำร็จลูกขึ้นมาแบงนี้มื่ก็พเพื่อรวมแห่งคุณธรรมทั้งหลายทึ่เราได้เกลียนในได้อาศัยขึ้นมอจากพระพุทธเจ้ามาเจรในตัวั้งหราให้ำนนาำหนดตื่นตัวจนสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาต้องสามารถจ่า็นวิมุตติทัท้งขึ้นมาที่หัวใจั้งเราเติมอั น, อ น, นา่สมความมุ่งมากต่อขนา ถ้าเป็นบ้านก็เป็นเป็นที่เป็นเรือนก็เป็นเป็นที่เป็นห้างเป็นหอก็เป็นเป็นที่เป็นยูนิตเป็นพนุธทานก็เป็นเป็นที่เชื่อมที่จิตใจขอให้บรรดาท่านทั้งหลายตงสำนึกตัวของเราดีเสมอว่าลายก็เป็นเชนหนึ่งเชื่อมทมีจี่เล็กเส่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกับเราไม่ใช่ว่าที่เล็กจะแต่ เรื่องภาพออกไปเสียโดยการจัดเงินขนคือการชำระนี่แหละแม้แต่บ้านเรือนก็ยังต้องอาศัยเงินขนคือเราอาศัยเราทำเขาขึ้นโตขึ้นบ้านเรือนจึงจะปรากฏเต็นที่ขึ้น็นที่อาศัยของเราด้วยความสะดวกสบายจิตใจต้องให้เป็นไปเพื่อความสะดวกให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ให้เป็นไปเพื่อความสมายก็ต้องอาศัยเราเป็นผู้ก่อลร้างสร้างขึ้นรับแรงแต่งจิตใจของเรา พักผ้าผิดใจของหเราให้หมดขึ้นเป็นน้าหนักไปเริ่มมาตั้งแต่สติเริ่มมาตั้งแต่สมาธิสมาธิคือความมั่นคงของใจวางจะทําความเพียนก็มั่นคงเดินจนๆก็มั่นคงด้วยสตินั่งสมาธิก็มั่นคงด้วยสติจตัญญา นานก็มั่นคงเอแบบทั้งสี่มั่นคงด้วยพระปุถด้วยตัณ ญ, ญาด้วยความภาคความเทียมนี่ก็จกดัดรอบเป็นก็เร็จมาจากสหมาธิคือความมั่นคงทำอะไรไม่วอกแวกคอนเสิรตพอจาก น, นี้ก็เป็นตนของสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาคือความมั่นคงของใจแน่ น, นหนาของใจไม่เอือยไม่วอกแวกคอนเสิร์น อันเป็นผลขึ้นมามาจากสมาธิในบเบื้องต้นซึ่งจล่าวเรื่องนั บ, บนัดนี้เป็นผลขึ้นมาให้เราได้มีความเยียบเยินภายในจิตใจเมื่อมือเต้นทุนคือสมาธิได้รับความเยียบเยนแล้วยามฝึกคน้นโดยทางกัญญาคือแปรนาสภาวะซึ่งมืออยู่รอบตัวั้งเราอันให้ชื่อว่ารงตาอั น, น จังจะภายในคือผิวหนังข้าใจจนกระทั่งถึงภายในหรือให้เห็นทุกชุ้นอนุจังซึ้นซ่อมอยู่ที่ไหนประสาตตัวอยู่ทั้งอังวังกลงคืนมันไม่เพียงอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ในตัวของเหล่านี้แม้ที่สิตเจตสุจธรรมที่ครงอยู่ที่จิตแท้ๆมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาให้เห็นอย่างนี้คือความไม่เที่ยงนช่ภายในมันก็แปร ى. มากคือร่างกายภายในที่เจตสุจสธรรมมันก็เปลย โดยแต่หาความสุขความทุกข์ความเจ็บเหยือมันแปรทั้งนั้นปัญญามันก็แปรฝังฐานมันก็แปรวิญญาณมันก็แปรเมื่อที่ปัญญาเบิกปัญญาแล้วเราจะเห็นอันจรังทับในตัวของเรามองไปทั้งหน้าตั้งแต่้นเดียวกันเมื่อปัญญาของเรามันทําเครื่อทงทีกับเกิดการซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วมองไปที่ไหนก็เป็นความอั น, นจรังทุกข์ทั้งนั้นตาประกาศล่นเลกธาตุอยู่ มีปกป้องมีความสงบเมื่อไหนเมื่อไรเติมด้วยเส้นนี้ให้เป็นงาให้เหอนรับอย่างนี้โดยัญญาแต่ทุกขังมันดูอยู่ตลอดเวลาใครมีความจิดใจเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันเติมด้วยความทุกข์ถูก้านถูกเตรียมความเดินทางบานถูกปลดลงขาลาหาดุขายามาเพื่ออะไรก็เพื่อจะแก้ไขทุกข์หรือบำบัดทุกข์ที่มันแปรเดางอยู่ตลอดเวลาในตัวขุคเราเองนั่น หน้าตามันเชื่อฟังคาำของใครเราใครจะว่าฉันเป็นหญิงใครจะว่าฉันเป็นชายใฉันเป็นพระฉันเป็นพยาฉันเป็นถึงยเป็นหลวงฉันเป็นพระเป็นเนินมันรมชาติอนั้นไม่ฟังใครทั้งนั้นเพระต่าเป็นอยู่ตลอดเวลาว่าเขาคือไม่ไม่ใช่ใครทั้งนั้นหน้าตาโฆษณาให้มันแคบไปปัญญาอย่างนี้เลยมันจะมาเห็นกระแสทังสุดทีแต่สําคัญมันหมายในสิ่งทั้งหลายบ้าอย่างไรเล่ะ เมื่อเหนแพท์แล wow. like like the right? ้วม so ันก็ต้องปล่อยวางทั้งวายนอก็ต้องปล่อยวางด้วยปัญญาภายนอกมาจนรด้เสียงดินและเื่องทัมผัสซึ่งแป็ที่ราเริงวิลุบตาฟังใหเหลงไปตามเมื่อได้เห็นแพย์แล้วจิตภาวะทั้งหลาเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นของเรื่องเรือแผมที่สุดก็คืหัวใจของตนเองคิดหลอกลวงตนเองโดยไม่รู้สึกเมื่อวันน้ สิ่ข้างหลังเบาน้ำตาลไป็นจริงเนี่ก็มาเห็นกระแสทั้งใจงงงทั้งเติมเติมเพื่อหลับลวงแล้วเราจะหลับลวงเตนมจะได้แบบไหล่นนะในเมื่อปัญญาด้วยคำเป็นนั้นแหละก็ได้นำเข้ามาเท่านั้นเองเมื่อมาที่จิต น, นาทั้งกลางร่างกาว่าอะไรแราเป็นเราหนังหรือเป็นรผมผมเราขนขนเม็ดปันเนื้อเอ็นก็ดูถือเป็นเราอะไรเวลาทั้งหมดที่หรือเป็นเราดูที่ไหมนมันก็มีตั้งแต่กองใ น, นจังทุกขั้งราคาหาเราที่ไหนอ ย, อยู่นี้ไม่ไม่มันไม่ไมี เมื่อดูเรื่อัญญาดูอย่างนี้ออกจากนรกอ้นพระประดงถึงเรื่องเหตุธรรมาคือความสุขความทุกข์ความเจือเส้นมันก็จัดเป็นอยู่ตลอดเวลาวันนี้หรือเป็นเมามันก็อันเดียวกันอีกไม่ใช่เราเท่านั้นปัญญาจำไม่มากเล่นน้อยจำมาตั้งแต่วันไหนมันแต่ด้เท่าไรมันก็แบบไปเข้าที่จำได้นั่นไม่มีอะไรเหลือหรอเนี่ยกลางๆก็ตื่นขึ้นมาจําใหม่ ดับไปอยู่อย่างนั้นนี่มันก็เปนตรลักษณ์อีกทีนี้อันนจ้กงทุกข์ขวาอนาขวงความความเปรืงก็เหมือนกันเปืองเท่าไหร่มันก็ดับมันแสดงความไม่เที่ยงถ้างตามันก็เป็นทุกข์แค่ตั้งขานนี้มันไม่ใช่อตามันเป็นอนาปะเท่านั้นบุญญาณก็เช่นเดียวกันเหมือนแป่นเตามไม่จินไม่จริงแบบนี้นะปัญญาก็าไม่ีความเฉลียวฉาดตามข้าตายนรทั่งสุญญากงละหลักฐานซึ่งเป็นบอกเกิดของรูปตายและ เป็นควานที่เกิดของโดยธนาตัญญาตั้งขานวิญญาณคือที่ไหนล่ะคืออะไรมันก็จะไปเหินหัวใจขึ้นเป็นดวงอวิชาขึ้นเป็นอริชาเต็มอยู่ในที่นั้นอะไรล่ะเป็นอริชาคืามรูที่เต็มด้วยความหลงมี่เองอริชาความรู้ที่โกิดหกนี่เองเป็นอริชาความรู้ที่หลงตัวเองนี่เองที่เรียกว่าอริชานี่แหละบ่อเกิดคือที่นเกิดที่ก็เกิดขึ้นจากที่นี่เกิดโดยนาตัญญาตั้งขานวิญญาณมันก็เกิดขึ้นจากที่นี่ เกิความหลงในรูปมีเสียงในกลิ่นในแล็บเครื่องสำัะเพื่อั้งโลภะผาบมันก็เปิดขึ้นจากออาต่ออริยานอืเมื่อพิจนาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเจนเห็นชัดในเรื่องของอริชาตคืออะไรก็คือความรู้รู้อันนี้ อ, อันนี้มันเป็นอะไรอีกบ้างจนทั้งหลายเราจะได้เหนแคดด้วยกัญงานแล้วว่ามันเป็นอนนต้ังที่ถึงหน้าตาความรู้อันนี้เป็นอะไรอีกล่ะมันก็ไม่เป็นไตรลักษณ์แตเป็นอะไรดูให้มันเห็นชัดอีก เจ้าหลอกลวงเนี่ยมันคืออะไรมันก็ตัวแไตรลักษณ์ทั้งเองแต่เราต้เข้าใจว่าอะไรจรึงไม่มีโอกาสาที่จะพิจารณาสภาพนี้ให้เห็นแบบเป็นไตรลักษ์ที่ละเอียดที่สุดเพราะธรรมชาตินี้เป็นไตรลักษ์ส่วนละเอียดที่สุดไม่ใช่เป็นส่วนหยาดส่วนจางเหมือนอย่างสภาวะที่เป็นไตรลักษณ์ทั้งหลายทั่วไปเหมือนเราได้พิจารณาให้มันเห็นแค่ตามเป็นจริงอีกความรู้ที่เป็นเจ้าตรวเด็กอันนี้มันก็ทนอยู่แม่ได้ในเมืม่อปัญญาได้เพียงพอแล้ว โดยมื่อเทเ่าควมเป็นมายาของความรู้ประเภทนี้แหละความรู้นี้ก็ต้องแตกกระเดินไปอีกเหมือนกันเมื่อมีอะไรเหลือเมออื่อความรู้นี้ได้แตกกระเด็นมันไปเพราะอํานาจของอดิสัญญา น, นั่นแหละนั่นแหละรายจึงจะเห็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งคืออวิชชาประิตเอาไว้เมื่ออวิชาได้เปิดเผยออกแล้วก็จะเปิดตาเปิดธรรมชาติอันนั้น ว่าเป็นของอัศจรรยมี อ, อยู่ตั้งแต่เมื่อไรไม่กราบในจะจับจะจักแค่เรื่อปัญญาเท่านั้นนี่เราจึงจะหมดปัญหาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีตามสิงาราไถึงจุดนั้นที่เหลือปัญหาอาสระก็จะรลิกเกยนเราไปถึงเพียงแค่นี้เทนะเมื่อถึงจุดนั้นแล้ว ความเลื่ความเกิดความเหลืองแค่เหนือพลิกหมดอำนาจเหนืออำนาจานาลับปะเถิงสารก็เหนือำนนอำนาจศาสน า, สานกนานานนา็ไม่สามารถทําเราให้หมุนเวียนต่อไปอีกได้แลยครั้งห้าทะเลกราเป็นผรานเลื่อนลวนไม่เติมที่เด็ดปัญหาอักษระแต่อย่างใดถึงสมาธิตัญญาก็ทราบแทบแทบเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราอีกเพิเ่มเ จึงเป็นอันว่ารื้ตามเปนจริงเรียกว่ารู้เ่าเหตุรูท่าอย่างเตินเต็ม แ, และปล่อยวางได้ตามเป็นิหรืองเหือเรื่อเหแงทุกดือเธอทกขคืออะไรคือ้ามือ่ตามมาตัญหาพรัหาวิถวตัญหาเตตรียว่าเหงทุกข์รู้เท่าเดอดเธอทุกข์คืออะไรสีนสมาธิปัญญารู h ้เท่าด้วย รู้ว่สันคืออะไรทุกที่เกิดขึ้นจากเทิดแห่งคุกนั้นก็รู้เท่าสันที่เกิดขึ้นจากเธอดแงึกคือปีสมาธิ่างๆนี่อลไรเป็นเรื่องของมีโลภขึ้นมาก็รู้เท่าอะไรล่ะที่นอกจากทุกตะนไทยเลินักีคออะไรไเป็นผู้รู้ว่านี่ทุกนี่ตะนูไทยนี่เลิศนี่มะกและยเป็นผู้รู้ว่า พูดแบบไปแล้วละผู้นั้นแหละเป็นคำวิวตินอกจากคาถาทั้งหลายที่ออกล่าวมาเรื่งนี้ทั้งหมดธรรมชาติอันนั้นซึ่งเป็นครรมตายตูวเป็นช้าทั้งกลางวันจลางคืเนเพราะสิ่งกำบังทั้งหลายได้ถูกทำลาย ราตัดระจารไปหมดนะเพิ่มเยียวกันกับพระอาทิษ์ที่อาตัดเมืคำบางแล้วย่อมแสงส่องแสงสว่างได้เต็มที่เชนั้นเรื่องของดวงใจที่เป็นไปด้วยความ ร, สรสูสกเต็มที่ราตจดกิึงึ้นมาสกิดคำบางที่เกิปัญหาอาสวะทั้งยาดทั้งกายทั้งเอียดหมดแล้วธรรมชาตินั้น จึงฟ้าจัตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าพุตโธเแทนคุตโธที่แท้จริง เ, เอทมคุตโธที่บริสุทธิ์เอ็มธรรมโมที่อัตจันรอย่างแท้จริงภายในความรู้อันนั้นเอ็นอสั้งเโคที่แท้จิคือเป็นเจ้าของนัตหรือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพุทธะอัตธรรมะในภายในจิตใจ น, นั้นเองวัดประจกักแค่เป็นอันว่าได้ยุติกันลงแล้ว มนขณะที่พระที่บริสุทธิ์นี้ได้ปราศตัวขึ้นหมาองค์สมเด็จพระปู่มีพระภาคเจ้าท่านได้ตัดถึงกัณฑ์วัดประจักษ์ทั้งหลายได้ตัดถิ่นกันในคืนเดือนสิบเกนเราจะไปตัดถิ่นกันวันไหนหรือไปให้แต่ความที่เกียรที่ร่ำตัดถิ่นอาุกวันนั้นหรือหรือได้เห็นจาก ตอนที่เกียรนอนตื่นสายตัดสินอธิวันนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้สิ่งอย่านี้ตัดสินเราก็ต้องพย า, ายามทําตือูของเราให้จนขึ้นแม่สนิทกับสินจะมาทิพปัญญาทั้งวันทั้งคืนดีเดินแน่นอนเราก็จะปรากฏธรรมตรงนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัย ทำทั้งหลายที่ได้อธิบายมาวันนี้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอยากพึงทราบว่ามือนอกเหนือแต่จับตัวของหเราทำทั้งหมดนี้แสดงถึงเรื่องของเราทั้งนั้นท้้งฝ่ายชั่วก็มีอยู่กับตัวของหเอกทั้งฝ่ายดีที่จะแก้ความชั่วนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราทั้งผลแห่ ง, ง, งความดีที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไข เป็นส่วนั้นได้แล้วกกมุตคอนิษฐ์ก็เป็นเรื่องของเราเรื่นล้วนแตาเราเป็นผู้มีนานแน่นคล่องเกิดบกืบเกือบตายทั้ทั้มพลาดาที่แล้วแงเพยายามทำคุณงามความดีอบรมสีสมาธิปัญญาคจุกับปัญญาอย่าใหา้ห่างจากจิตร้าห่างจากอารมณ์ขึ้นเกิดขับใจของตนเอง อารมณ์นีเป็นตัวเหตุการสําคัญเป็นตัวต่อเหตุสําคัญคติกับปัญญาเป็นตัวที่จะวินิจฉัยความแก้ไขเหตุการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นลงไปว่าอะไราจ็นทาที่บริสุทิ์ขึ้นมาภายในใจการจะตอบความภาความเพียรวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เป็นของญาติธรรมศาสเหมือนอย่างเราท่องเทื่อวเกิดในวัฏฏะสงสารนี่มาด้วยผีกับผีกัน แห่งความทุกข์ความทรมานยากแสนส า, างัสดังนั้นยากที่สุดลำบากที่สุ ด, ดการเสกอบคมเพียนเพื่อหรือถอนตมออกจากทุกเมื่อเป็นของยากถึงขนาดนั้นจึงควรที่เราทั้งหลายจะมีแตจิตแต่ใจบำเพ็ญตนทั้งตนถห้เป็นเนื้อนาบุญท่องตนอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ลูกแก่ลูกสาวาพวกเราทั้งหลาย ไม่สามารถทำตัวให้เริ่มเย็นได้แล้วโลกจะขึ้นใครเราเราขึ้นเราไม่ได้แล้วโลกจะมาขึ้นเราได้อย่างไรเมื่อเราทําตัวของเราให้เป็นผู้เริเยินสำหรับเราเอมที่ขึ้นเราได้แล้วโลกก็ขึ้นเราได้เอมที่เริ่มเยินจนศูกย์ไดเขาให้ทานมาเล็กน้อยก็เป็นผลได้ข้อเหตุใด เพราะเป็นเนื้อนาที่เบที่สุดเป็นเนื้อนาที่เต็มไปด้วยปุ๋ยเป็นเนื้อ ท, ที่อันดีที่สุดเนื้อที่ของเราคืออะไรคือตีนสมาที่นอยาวิมุตติพุทธของภากนตั้งอกตั้งใจ เพื่อเกาะความภาคความเพียรให้เห็นว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดกว่าเรื่องของใครทเหนือจะนั่งรวมคนอยู่นี้ก็ตาแต่ถ้ า, าท่านมาท่านให้เห็นว่าเรื่องของเราคนเดียวเป็นเรื่องสําคัญเราเป็นคนก่อเรื่องอยู่ตอลอดเวลาจึงพยายามดูเหตุผลในเรื่องที่เกิดขึ้นและพยายามระงัดเรื่องของตนให้ได้เมื่อระงัดเรื่องของตนได้แล้ว เราจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือีกวันนี้ได้อธิบายครับนะเกี่ยวกับเรื่องสีสมาธิปัญญาและอิทธิบาททั้งสี่ซึ่งเป็นธรรมรากฐานของพระศักดิ์สิทธิ์มห้บรดาท่า น, นา ท, าทั้งหลายรู้ฟัแาางแผลและธากันตั้งอๆอต่างใจ มีความเคลื่อนแข็งต่อความภาคความเพียนอย่าทำาเตนมเต่อ เ, เองพยายามบำเก็ตศีลกัญญาให้แมู่่านดูตัดตัวดูตัดใจอย่างไรเรื่องผลที่จะตื่นได้รับความที่ดูกล่าวไว้แล้วจะไม่เป็นสมบัติของสับ คำว่าอาการเ่วยที่พระองค์เจ้าเป็นกล่าวว้นั้นคือผลของกาดีนั่นเองและในขณะเดียวกันก็ผลเป็นผลของวารทั่วเทเมื่อทำเหตดทุ่มเรื่องกาผลต้องทุ่มทาเหตุดีลงกายผลต้องดีตลอดกาลเพราะฉะนั้นคำว่าอาการปกวยซึมได้ในผลทั้งสองก็เกิดผลดีดีอะไร หรือตั้งแต่เต้นเป็นถึงดูสุดยอดไม่เหนือไปจากตัวของเราที่ทําเรื่องมัทเหสมิตรามแล้วเราจะคิดภายนอกเหนือไปจากตัวของเราขึ้นเป็นตัวเรือจัดเดือดเอเดือดจัดตัวอะไรคมมุดขนะ้ามไทยนิโรธนะนี่เต็มไปด้วยมัทเหสมิตรามเนี่ยที่กล่าวมาทั้งคำทั้งสีเส้น ทุกข์ไม่ใช่ตัวัองเราเั็นทุกข์ถ้ามไทยคือเราเองจนเป็นสั่งสนทุกข์ขึ้นมามีเรกหรือมัจทุกที่จะแก้ทุกข์ก็คือเรื่องของเรามีเลพเพราะอำนาจแห่งมักไม่แก้ทุกข์ับแล่แก็ปรากฏเป็นมิโลดที่ข์มิดทุกขดับแต่นั้นคืออะไรนั่นเลยถ้าเลือดว่าบิดจิตทุก์โผ่ทุกข์นั้นเอง พระพุทธเจ้าท่านได้ทำอย่างนั้นท่านเป็นศาสตราของเลเอแบบเต็มศาสตราสงท่านากท่านพ้นจากเลกบ า, าท่านพ้นเพราะท่านห็นผู้ถอ ร, อรยจักทั้งสีนั่นเองและทาล่านก็ไม่หลงในอายจัรจะททั้งสี่ด้วยหรือเททั้งเหตุดูเหตุเพื่อผลดีผลเพื่อแต่วางให้ตามเป็นสิท ขอให้มนตรท่านขั้งหลายได้ยึี่ึดแวงทำเพิคมเติมให้ผลให้เป็นประโยชนให้เสียชีิตที่ได้เกิดมาแล้ไม่เกิดมาในพระศาสนาการแสดงธรรมเทศนาเจ็ขอดิษฐีเรื่องเกี่ยวกับขอความสลับดุญมงคล มีแต่เป็นมาทั้ผู้ฝังทั้งไหนทุกคนต่างเคย